เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีเตียงมือสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมโดนเองนิดหน่อยแต่คนที่เจอเต็มๆก็เป็นน้องที่เป็นลูกของอาผมครับคือคุณอาของผมท่านได้ปลูกบ้านใหม่เขาก็อยากจะได้เตียงนอนที่เป็นไม้สักอย่างดีพอดีลุงผมได้เมียเป็นคนแพร่ ก็เลยพากันไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่แพร่ครับเพราะที่นั่นจะดังเรื่องส่งเครื่องเรือนไม้สักผมก็ไปกับอาด้วยก็ดูหลายๆร้านพอมาถึงร้านที่ได้เตียงนี้มาพวกผมก็เข้าไปดูกันเครื่องเรือนไม้ร้านนี้สวยมากทั้งเตียงตู้ต๊ะผมเดินดูไปทั่วร้านร้านกว้างมาก มีลักษณะคล้ายๆโกดังขนาดใหญ่แล้วผมก็ไปสะดุดตาที่เตียงนอนไม้หลังหนึ่งมันถูกวางอยู่หลังร้านดูสภาพเก่าแล้วแต่เขาโครงยังสวยงามและดูแข็งแรงเป็นเตียงไม้ขนาดห้าฟุตผมเรียกอาไปดูอาก็ชอบบอกว่าเอาไปไว้ในห้องนอนแขกดีกว่าเตียงขนาดกระทัดรัดดี ผมก็เลยบอกคนขายว่าสนใจเตียงนี้คนขายก็บอกว่านี่พึ่งได้มาจากการไปรับเหมาหรือบ้านเก่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านโบราณอายุเกือบเกือบร้อยปีลูกหลานเขาขายที่เจ้าของที่คนใหม่ไม่อยากได้บ้านหลังนี้เลยขายเฉพาะบ้านและเครื่องเรือนรับรองไม้อย่างดีแน่นอน ผมลองไปจับจับรูบรูคลำๆลดูก็รู้สึกเย็นแปลกๆคือเนื้อไม้มีความเย็นมากแต่คนอื่นจับก็ไม่เห็นพูดอะไรตกลงอาผมก็เอาเตียงนี้ครับเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำความสะอาดแล้วก็เช็คสภาพให้อีกทีอาทิตย์ต่อมาเครื่องเรือนที่ซื้อไว้ก็มาส่งที่บ้าน เจ้าเตียงนี้ก็มาด้วยสภาพใหม่ดูดีขึ้นหลังจากทำความสะอาดแล้วอาผมเอามันไปไว้ที่ห้องนอนสำหรับแขกตอนที่เอาเตียงมาส่งลูกสาวอาที่อยู่ปหนึ่งก็อายุประมาณห้าหขวบพูดว่าดูผู้หญิงคนนั้นสิแต่งตัวสวยแต่ตอนนั้นพวกผมไม่มีใครสนใจครับ มัวแต่เคลียร์ของเข้าบ้านกันแล้วเรื่องก็มาเกิดกับผมครับคือเวลาที่ผมเดินผ่านห้องนอนแขกนี้ซึ่งจะถูกเปิดประตูแง้มแง้มไว้เพราะไม่มีคนในบ้านไปนอนผมจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆจางๆอารมณ์แบบน้ำอบที่หอมๆแต่ไม่ใช่กลิ่นเดียวกับน้ำอบมองเลยะนะครับมันจะหอมเย็นๆแบบบอกไม่ถูก แรกๆผมก็คิดว่าอาจจะเป็นกลิ่นดอกพุทรนดอกแก้วดอกโมกที่ปลูกไว้ก็ได้แต่ผมจะได้กลิ่นทุกครั้งเลยแล้วก็เป็นกับผมคนเดียวด้วยเพราะอาผมที่อยู่บ้านนั้นก็ไม่เห็นว่าได้กลิ่นอะไรเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งลูกสาวอาอยู่ๆก็เดินมาหาผมที่หัว มีปิ่นปักผมแบบโบราณเสียบมาด้วยเป็นเครื่องเงินครับน้องเข้ามาถามผมว่าดูสิสวยไหมผมเลยถามว่าไปเอามาจากไหนของแม่หรือเปล่าน้องก็บอกว่าไม่ใช่พี่คนสวยให้มาพี่เขาอยู่ในห้องมาดูสิน้องบอกผมแล้วก็พยายามดึงแขนผมให้ตามไป ผมก็คิดในใจงานเข้าแล้วน้องเจอดีแน่แ่ผมก็ตามไปเพราะอยากรู้ว่าคืออะไรน้องพาผมไปที่ห้องนอนแขกครับแล้วก็ชี้ตรงไปที่เตียงแล้วบอกว่านั่นไงพี่คนสวยนั่งหวีผมอยู่บนเตียงใส่ชุดสวยด้วยผมมองไปก็ไม่เห็นอะไรเขาคงไม่อยากให้ผมเห็น แต่ทำไมผมคน ล, ลุกเพราะกลิ่นหอมๆนั่นลอยมาแตะจมูกผมอีกแล้วผมเลยรีบพาน้องออกจากห้องนั้นแล้วก็ลืมๆเรื่องนี้ไปเลยปิ่นปักผมที่น้องเคยเอามาก็ไม่มีแล้วจนวันหนึ่งเป็นวันทำบุญบ้านใหม่อาผมผมต้องไปนอนที่บ้านอาก็ไปนอนที่ห้องนอนแขกนั่นละครับนอนที่เตียงนั้นด้วย ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมีคนเข้าไปนอนในห้องนั้นกับผมหลายคนก็พี่พี่น้องน้องรุ่นเดียวกันนั่นแหละครับผมนอนบนเตียงกับน้องคนหนึ่งคืนนั้นผมก็ฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดแบบดังเหนือครับที่เป็นเกาะอกกับผ้าสิ้นมีผ้าคลุมไหล่บนหัวมีดอกไม้แล้วก็มีปิ่นปักผมแบบเดียวกับที่น้องเอามาใส่ ผู้หญิงคนนั้นมาบอกผมว่าพรุ่งนี้ที่นี่จะมีงานบุญเสร็จจากงานบุญแล้วข้าก็จะไปเตียงนี้เป็นของข้าดูแลมันให้ดีเขาบอกผมอย่างนี้แล้วผมก็ตื่นรับพอผมตื่นไอ้น้องที่นอนข้างๆผมมันไป น, นอนอยู่ข้างล่างผมก็ถามมันว่าลงไปนอนข้างล่างทำไม มันก็บอกผมว่าก็ตอนมันปิดไฟนอนกันแล้วมีคนมาบอกให้มันลงไปนอนข้างล่างมันก็นึกว่าญาติคนอื่นๆจะมานอนบนเตียงมันก็เลยลงไปนอนข้างล่างผมก็เลยงงครับเพราะตอนผมตื่นก็ไม่มีใครมานอนบนเตียงกับผมเลยสักคนแต่ผมเห็นบนเตียงที่ผมนอนมีดอกไม้ตกอยู่ครับ เป็นดอกไม้ที่บ้านผมไม่มีผมเลยเก็บเอาไว้ไปใส่พานบนหิ้งพระครับหลังจากทําบุญบ้านอาเสร็จผมก็ไม่เคยได้กลิ่นหอมๆอีกเลยเวลาผ่านห้องนั้นลูกสาวอาผมก็ไม่พูดถึงผู้หญิงสวยๆอีกเลยส่วนเตียงตอนนี้ก็ยังอยู่ครับใครได้ไปนอนก็บอกว่านอนหลับสบายกันแทบทุกคน